ตอนสายรถก็ติดตอนเที่ยงรถก็ติดตอนเย็นเย็นรถก็ยังติดถนนทุกสายก็ติดซอยไหนมองไปก็ติดสิ่งอยากไในรถไฟยังติดนที่ไหนรถมันก็โตล่แต่จีบเธอไม่เห็นจะติดติดสัญญาก็ไม่เคยติดติดชาชาก็ยังไม่ติดน้องเกน้องจอยก็ไม่มีสีทแล้วน้อยใจก็ว่าสนาเราช่องเท่ไร อแล้วเราไม่แพ้ใครมาทำอย่างงี้กับเราได้ไงจักทนไม่ไหวไม่ไหวต้องไปแช่นาะ เชาออกไปทํางานรถติดทั้งวันเลยทำงานสายเราเป็นนึกไว้แล้วในใจเมื่อคืนเสียภไยฟันไม่ค่อยดีมาช้าจะไหนก็ทางมาสายจะไหนก็ทางเทียงจะไหนไม่ทาในใจเอาไว้ไหลออกกลับถึงบ้านเธอก็ปนอยู่ในบ้านเธอก็ปนออกจากบ้านเธอยืนยืนปนทํำยังไงเธอถึงไม่ปน <Hey. S 1> คิดคิดแล้วใจรู้สึกปวดหัวไม่ค่อยสง แล้วก็ยังไม่หายเธอก็ไม่ไหวตามมาราวิ่งชักจนไม่ไหวไม่ไหวต้องไปแช่น้ำชักชนไม่ไหว ดีจ้า